เฉลยพรทุกท่านคือศาสนาพุทธนะั่เป็นศาสตร์อันหนึ่งถ้าเราตั้งอกตั้งใจเรียนนะมันไม่ยากหรอกแต่มันก็เหมือนวิชาทั่วๆไปอะเรียนทีแร ก, กอาจจะงงบ้างพอเราเรียนแล้วเรียนอีกสักพักหนึ่งก็เข้าใจเรียนมากๆ ก, ก็เก่งศา ส, สนาพุทธก็เป็นศาสตร์อันหนึ่งนะเป็นศาสตร์ ว่าด้วยวิธีผลนทุกวิธีสดับความทุกข์ให้สนิทจากใจเราถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะก็เข้าใจไม่ยากแต่ถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังนะก็เข้าใจยากหน่อยแรกๆทำอะไรแรกๆครั้งแรกมันก็ยากทางนั้นแนหะหัดขี่จักรยานทีแรกก็ยากนะขี่เป็นน้องก็ง่ายไม่เห็นมีอะไรขับรถยนต์ทีแรกก็ยาก กลับไปกลับไปง่ายๆการเรียนศาสนาพุทธก็เหมือนกันนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะให้โอกาสตัวเองแค่ไหนถ้าเรียนสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เข้าใจนะไม่ว่าเราจะฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนเราก็จะเข้าใจหรือเราไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรเนี่ยเราก็จะเข้าใจความเข้าใจมันจะลึกกว่ากันเยอะเลยกระทั่งไปเรียนอภิธรรมกนะ็เข้าใจง่าย แต่ถ้าเรียนกับหลวงพอ่อแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะดูของจริงในกายในใจตัวเองฟังฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเรียนกับหลวงพ่อเสร็จแล้วก็ไปเรียนที่โน้นเรียนที่นี่ไปเรื่อยนๆนะไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆหรือปฏิบัติสับสนหลายแบบก็ไม่เข้าใจสักทีเหมือนเรียนโรงเรียนหลายโรงเรียนพร้อมๆกัน แต่และโรงเรียนก็มีจุดเด่นของตัวเองเราเรียนจากครูหลายคนก็สับสนลำพังถ้าเรียนกับหลวงพ่อนะฟังซีดีไม่ต้องเจอตัวหลวงพ่อหรอกฟังซีดีฟังบ่อยๆภาวนาเป็นก็ถทมเทพไปคนที่ภาวนาเป็นทุกวันนี้นะมีจำนวนมหาศาลเลยเมื่อสัก30ปีก่อนหลวงพ่อสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็พาไปหาครูบาอาจารย์ คลูบาาจารย์ท่านมีหูมีตาจิต ท, ท่านไวหาค่าวัดแนละ้วท่านหันกลับเลยว่าไปรวมกันมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงมีจํานวนตั้งสิบคนสิบคนนั้นก็มากแล้วนะสิบคนนั้นแค่ว่าจิตมันตื่นขึ้นมาจิตตื่นนะไม่ใช่ว่ามารู้มรรคผลอะไรกันหลายคนหรอกแค่รู้สึกตัวเป็นท่านยังบอกว่าหายากเลยนี่ระหลวงพ่อสอนสอนมาเรื่อยๆนะคนที่รู้สึกตัวเป็นเนี่ยนับไม่ท้วนตอนเนี้ย แล้วก็สามารถพัฒนาจากความรู้สึกตัวนะมาดูกายดูใจนะเราจะเห็นกายกับใจแยกออกจากกันนะเห็นความรู้สึกนึกคิดกับใจิตใจแยกออกจากกันเห็นความสุขความทุกข์แยกออกจากใจนะแยกออกจากร่างกายได้เห็นกิเลส โ, โ, โลภโกรดหลงนะแยกออกจากจิตใจได้นะี่คนที่สามารถแยกออกไปได้อย่างนี้ทุกวันนี้ก็เยอะมากเลยนะคนเหล่านี้ก็อาัยฟังซีดีออก ฟังแล้วฟังอีกแล้วก็สังเกตดูความจริงของกายของใจเอาศา ส, สนาพุทธไม่ใช่เรื่องแค่ทําทานถือศีลทําอะไรตามประเพณีนั้นตื้นเกินไปแล้วบางทีเราคิดว่าศาสนาพุทธก็แค่ว่าใครตายก็หามเข้าวัดไปถึงวันเกิดก็ไปใส่บาตรที่นั่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันตื้นศา ส, สนาพุทธมันไม่ใช่แค่ทําทานแค่รักษาศีลหรือบางคนก็คิดว่าการปฏิบัติคือการนั่งสมาธิ นั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าน่นอะไรที่มันต่างออกมาจากคำสอนดั้งเดิมของพวกฤาษีที่นั่งสมาธิสมาธิของพระพุทธเจ้ากับสมาธิของฤาษีไม่เหมือนกันนะควรละแบบกันเน่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้เคยเรียนนะเราไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาคืออะไรเราไม่รู้ ว, ว่าวิธีปฏิบัติที่พระพเจ้าสอนทำยังไงเราลงมือปฏิบัติไม่ได้นะ เรายังไม่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงหรอกนะมีแค่ทําทานแค่ถือศีลแค่นั่งสมาธินะคนศาสนาอื่นเขาก็มีแล้วอะไรที่จะทําให้เราต่างกับคนศาสนาอื่นได้ก็คือการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเฟังชื่อมันน่ากลัววนะิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ศาสนาพุทธไม่เหมือนคนอื่นนะเป็นศาสตร์เฉพาะที่พระพุทธเจ้าคนพบ วิปัสสนากรรมฐานถ้าฟังชื่อเราดูน่ากลัวนะแล้วบางทีเราก็มีคอร์สวิปัสสนาะทำวิปัสสนาถ้าทำถูกนะในเวลาอันสั้นจะบรรลุมรรคผลใช้เวลาไม่นานถ้าไปเข้าคอร์สไปอะไรสักสิบปียี่สิปีก็ยังเหมือนเดิมไม่ใช่หรอกมันเป็นแต่ชื่อวิปัสสนาแต่เนื้อมันไม่เป็นงั้นเราต้องมาเรียนให้ได้นะศาสตร์ของวิปัสสนากรรมฐานเนยะไม่เหมือน ศาสตร์อันอื่นหลกศาสตร์อันอื่นในทางโลกนะเราเรียนด้วยการอ่านด้วยการฟังอย่างเราไปอ่านเทปอ่านอะไรพวกนี้นะหรือดูวิดีโอดูอะไรพวกนี้อันนี้เราก็หาความรู้ได้หรือนั่งคิดวิเคราะห์เอานะก็าหาความรู้ได้แต่ศาสตร์ของพระ เ, เจ้าคือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่การคิดเอาไม่ใช่การอ่านเอาไม่ใช่การฟังเอาแต่เป็นการเข้าไปเห็น เข้าไปเห็นของจริงนี่คือการเรียนในภาคสนามนะถ้าทําเทียบกับงานวิจัยเนี่ยไม่ใช่งานวิจัยรีทเชั่นเป็นงานวิจัยภาคสนามเลยลงไปดูของจริงๆเลยว่าจริงๆนี่ร่างกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเราเป็นยังไงเราจะไปดูของจริงคําว่าวิปัสนามันแยกสั์ออกไปปัสนะแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นอะไรเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นจริงๆ อย่างตอนนี้พวกเราจะมีความรู้สึกนะว่าตัวเรามีอยู่จริงๆพอมีตัวเรานะพอร่างกายนี้แก่เราก็รู้สึกว่าเราแก่ร่างกายนี้เจ็บเราก็สึกว่าเราเจ็บร่างกายนี้ตายเรารู้สึกว่าเราตายนะเวลาพลาดพลากจากคนที่รักก็เราพลาดพลากเวลาเจอสิ่งที่ไม่รักก็เราเจอนะเวลาอยากแล้วไม่สมอยากก็เราทุกข์มันจะมีเราขึ้นมา เนี่ยพระเจ้าสอนให้เรามาดูของจริงนะดูซิเราเป็นอยู่ที่ไหนแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเรานะมีสองส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมคืออย่างร่างกายเราเนี่ยเรารู้สึกร่างกายนี้เป็นตัวเราอีกส่วนหนึ่งคือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความรับรู้ทั้งหลายที่ส่วนที่เป็นนามธรรมาตัวสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเ ป, ประกอบด้วยรูปธรรมกับนามธรรมาพระเจ้าสอนให้เรามาหัดแยกดูนะเวลาที่เรามอง สภาพของรูปธรรมนามธรรมนะมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรามองลงไปมันจะรู้สึกมีตัวเราขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถแยกรูปธรรมนามธรรมออกเป็นส่วนๆได้นะเราจะพบว่าตัวเราหายไปอันนี้เป็นศาสตร์เฉพาะของพระพุทธเจ้านะเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าพาให้สาวกทั้งหลายได้ดูจนเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีให้ายๆอย่างมีร่นจนอยู่คันเราดูลงไปข้างล่างนะมีร่นจนคันหนึ่งเราดูยังไงก็มีรถยนต์นะ แต่ถ้าใช้วิธีของพระเจ้านะมาถอดรถยนต์ออกเป็นชิ้นชิ้นลูกล้อจะไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์มีลูกล้อแต่พอถอดลูกล้อออกมาลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ามันก็ไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์เบาะพวงมาลัยสายไฟหลอดไฟอะไรไม่ใช่รถยนต์สัยอย่างเนี่ยท่านสอนวิธีแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะแยกออกเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าตัวเราเป็นหายไป เนี่ยเราจะต้องมาเรียนศาสตร์อันนี้นะถ้าเราเรียนได้เนี่ยต่อมาใจของเราเนี่ยเข้าถึงความจริงอันหนึ่งว่าตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีใครแก่ละร่างกายแก่นะ s, ไม่ใช่เราแก่ความรู้สึกจะไม่เหมือนกันร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่นะจิตใจจะไม่หวั่นไหวเลยใครเจ็บอนะร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะถ้าเราเห็ s, นความจริงแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราใครตายร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายนะใครพลัดพลากจากสิ่งที่รัก จิตใจมันพลัดพรากจากสิ่งที่รักใครเจอสิ่งที่ไม่รักใจเราอนะฮะเจอสิ่งที่ไม่รักใจนี่ไม่ใช่เราอีกใจก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราเนี่ยเราจะมาเรียนจนเห็นความจริงนะว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราในวิปัสสนากรรมฐานนี่จะพาให้เราเห็นความจริงตัวนี้แหละความจริงอันวิเศษเลยไม่มีเราซะอย่างเดียวความทุกข์ที่ไปอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจ กายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราไม่มีตัวที่ไปนสนองรับความทุกข์นะความทุกข์ก็อยู่กับโลกไปเป็นสมบัติของโลกไปร่างกายเป็นสมบัติของโลกเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวนะไม่นานเราก็ต้องคืนให้โลกไปร่างกายเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานะใจมันจะไม่ทุกข์ด้วยนะเนีย่ยค่อยๆฝึกนะให้เห็นความจริงให้ได้เลยว่าตัวเราไม่มีถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีนะเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นพระโสดาบันเคยได้ยินชื่อไหมโสดาบัน ใครอยากได้โสดาบันบนะ้างอยากได้โสดาบันอยากเป็นพระอราหันต์อยากนิพพานถามจริงใครอยากนิพพานรู้เหรือดีอยังไงอยากส่งเดชไปงั้นแหละนะต้องภาวนานนะจนเราเห็นนิพพานจริงๆเราถึงจะรู้ว่ามันมีคุณค่าขนาดไหนนิพพานอยู่ต่อหน้าเรานิ่งนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานเป็นสภาวะ ท, ที่สิ้นความอยากเลยใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะไปดูให้ดี งั้นใจเรายัางไม่นิพานหรอกใจเรามีแต่ความอยากทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นคนในโลกกรตุ้นนะคิดว่าถ้ามีความอยากเราสมอยากอยจะไม่ทุกข์เพราะเราลองไปสังเกตสิทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นในใจจะถูกบีบเค้นแล้ใจทุกรันทีแล้วนิพานเป็นสภาวะที่สิ้นอยากนิพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งใจเราปรุงทั้งวัน่ะปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างส่วนใหญ่ปรุงชั่วเห็นไหม ปรงอะไรฟุ้งสัน้นสเปสสปาไปเรื่อยเลยนะคิดถึงการเมืองจิตเป็นกุศลเรืเ่องอกุศลนะนะที่คิดเห็นรถติดจิตเป็นกุศลหรื่องอกุศลนะวันๆ น, นะจิตเราปรุงอกุศลเยอะเลยนะสภาวะที่เป็นนิพพานะไม่มีความปรุงแต่งนะมันสงบสบายมันปลอดโปร่งอย่างแท้จริงเลยลนิพพานมันเป็นสภาวะที่มันดับสนิทของทุกนะอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่ต้องไปเที่ยวหาที่ไหนหรอก แล้วไม่ต้องอ้อนวอนขอแล้อจะประคุณทำบุญขอให้ได้นิพพานนิพพานขี้ขอไม่มีหรอกนะมีแต่ต้องเรียนรู้ความจริงของกายต้องเรียนรู้ความจริงของใจให้มากนะเบื้องต้นมันจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราจะเห็นอย่างนี้ก่อนแต่เบื้องปลายเนี่ยมันจะเห็นว่ากายนี้คือทุกข์ล้วนๆพวกเราเห็นไหมกายเป็นทุกข์ล้วนๆพวกเราไม่เห็นหรอกพวกเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกอย่างนั้นไหม จิตใจก็ทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมเ <us> นี่ยเรียกว่าเรายังไม่รู้ทุกข์นะี่ปรัสนากรรมฐานนะจะมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจจนกระทั่งเกิดปัญญาเบื้องต้นเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีเนี่ยพระโสดาบันนะเบื้องปลายมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพอกายเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะสลัดความยึดถือนะไม่ยึดถือกายงั้นต่อไปนี้กายเป็นอะไรนะจิตจะไม่ทุกข์ละ แล้วก็ภาวนาต่อไปนะขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยจะเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆทุกวันนี้เราเห็นแต่จิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราปล่อยวางไม่ได้หรอกแต่ยังมีทางเลือกเราก็เลือกดิ้นรนหาทางทําให้จิตมีความสุขดิ้นรนหาทางทําให้จิตพ้นทุกขนะ์ใจก็จะดิ้นไปเรื่อยใจยังดิ้นอยู่ใจยังหิวอยู่นะไม่พ้นหรอกองั้นเราต้องมาเรียนนะมาเรียนให้เห็นความจริงของกายของใจ เมื้อต้นเห็นว่าไม่ใช่เราเบื้องปลายเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์เคยได้ยินไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ทุกข์อะไรคือทุกข์พระเจ้าบอกสังจิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์ขันธ์ทั้งห้าก็คือกายกับใจนี่เองรูปบนามนี่เองคือตัวทุกข์ถ้าเห็นทุกข์นะทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ทุกข์ให้ละพวกเราอยากละทุกข์ไหมอยากพ้นทุกข์ไหม พระพุทาไม่ได้สอนอย่างนั้นจะสอนให้รู้ทุกนี่เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะคําว่ารู้ทุกก็คือเข้าไปรู้กายอย่างที่กายเป็นเข้าไปรู้ใจอย่างที่ใจเป็นจนกระทั่งมันเข้าใจแจ่มแจ้งนะกายนี่คือทุกข์ล้วนๆใจนี่คือทุกข์ล้วนๆถ้าเข้าใจแจม่มแจ้งแล้วมันจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกทุกวันนี้เราอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกขนะ์เพราะเรายัางยึดอยู่ว่าเนี่ยตัวเหล่านี้ของเรานะ แต่ถ้าปัญญาแก่รอบเราเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่เรากายนี้เป็นก้อนทุกขนะ์ความอยากจะให้กายเป็นสุขไม่มีอยากทําไมให้มันสุขมันเป็นตัวทุกข์มันอยากไม่ได้นะอยากให้มันพ้นทุกข์ก็ไม่ได้อยากให้มันสุขก็ไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันเราอยากให้มันสุขอยากให้จิตใจมีความสุขไหมเที่ยวไปทําทุกสิ่งทุกอย่างนะกระทั่งจะมีแฟนสักคนก็อยากมีความสุขใช่ไหมใครอยากมีแฟนสักคนเพื่อจะได้ทุกข์มากๆมีไหม โง่อะไรผิดปกติแล้วอย่างนั้นนะอยากมีรถสักคันก็อยากมีความสุขใช่ไหมอยากเงินเดือนเยอะๆก็อยากมีความสุขี่จริงๆอยากได้ความสุขนะอยากได้ตัวเองแต่ถ้ามันเห็นแจ้งนะกายนี้ทุกใจนี้ทุกของอื่นจะเป็นสุขไปได้ไงจนะเห็นนะใจมันมันจะหมดความยึดถือนะมรู้ทุกเมื่อไหร่ความอยากจะไม่มีขึ้นมาอีกนะรู้ทุกเมื่อไหร่ความอยากก็จะดับเมื่อนั้น กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ไม่มีความอยากทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีอยู่ย่อลงมาก็เหลือแค่ว่าอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็แค่นี้เองแต่ถ้ามันรู้ความจริงแล้วว่านี่คือตัวทุกข์ความอยากจะไม่เกิดถ้าความอยากไม่เกิดเนียใจเราจะเข้าถึงนิพพานทันทีเลยใจเราจะเข้าถึงนิพพานทันทีเพราะนิพพานเปสภาวะที่สิ้นความอยาก มีความอยากที่ไรความทุกเกิดทุกทีความอยากเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทำไมถึงมีความอยากก็เพราะไม่รู้จักทุกข์ถ้ารู้ทุกข์ก็จะหมดความอยากนะถ้าหมดความอยากก็ยังไม่ยึดกายยึดใจนะไม่ทุกข์อะไรอีกละใจเข้าถึงความพ้นทุกข์พ้นจากความอยากสิ้นเชิงเนี่ยหลักกว้างๆนะเป็นแบบนี้นีสิ่งที่เราจะต้องลงรายละเอียดกันก็คือทาอย่างไร ถึง altung, ถึงถึงว่าหาวแล้วนะทอย่างไรว่าเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก่อนความจริงในเบื้องปลายคือกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ความจริงก็คือมันเป็นอยู่แล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วแต่เราหลงผิดว่าเป็นตัวเราความจริงก็คือกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์อยู่แล้วนะแต่เราหลงผิดว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้าง เนี่ยเราจะมาทำลายความหลงผิดวิปัสสนากรรมฐานเ น, นี่ยคือเครื่องมือคือศาสตร์แห่งการทำลายความหลงผิดนั่นเองศาสตร์แห่งการเรียนรู้ความจริงเราจะเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจได้เนี่ยสิ่งแรกเลยนะเราต้องไม่ลืมกายลืมใจคนในโลกนี้ลืมตัวเองตลอดเวลาตื่นนอนมาก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยลืมตัวเอง เรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราลืมตัวเองทั้งวันเลยเวลาเราดูใช่ไหมเราก็ดูคนอื่นเวลาฟัง <men Loki> เราก็ฟังคนอื่นเวลาเราคิด <men> เราก็ไปรู้เรื่องราวที่คิดเราไม่เคยรู้ตัวเองเลยเราสนใจ ร, รูปที่เรามองเห็นเราไม่สนใจตาของตัวเองเราสนใจเสียงที่ได้ยินสินะะ่งที่ได้ยินเราไม่สนใจหูของเราเราสนใจกลิ่นเราไม่สนใจจมูกตัวเอง เวลาได้กลิ่นแปลกๆสนใจจมูกไหมว่าจมูกมันไปรู้กลิ่นไม่สนนองจะไปสนใจว่ากลิ่นอะไรออกข้างนอกขับรถอยู่คนมาปาดหน้าใจโกรธขึ้นมาสนใจไหมว่าใจกําลังโกรธไม่สนใจเราสนใจไอ้คนที่ปาดเราเราสนใจออกข้างนอกตลอดเลยเราทิ้งตัวเองตลอดเวลาเลยงั้นหน้าที่ของเรานะต่อไปเนี้พยายามย้อนกลับมากลับมารู้สึกตัวให้ได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะ รู้สึกกายรู้สึกใจให้ได้ส่วนมากเราจะใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยเผลอคิดอะไรเพลินเลินไปเนี่ยมีบ่อยที่สุดส่วนเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลออะไรนี้ก็มีเป็นประจำเลยนะในเผลอคิดเนี่ยเผลอตลอดเวลาเลยขณะที่เราเผลอไปคิดเราหลงไปคิดนะสังเกตไหมขณะนั้นเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเวลาที่เราใจลอยเราจะมีร่างกายเราลืมร่างกาย เรามีจิตใจนะ จ, จิตใจเราสุขขณะนั้นเราเผลอไปจิตใจมีความสุขเราไม่รู้จิตใจมีความทุกข์เราไม่รู้ จ, รจิตใจโลบกรดหลงเราก็ไม่รู้เนึกว่ามีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจนั่นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะที่ทําให้เราทํำวิปัสสนาไม่ได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้ก็คือการลืมตัวเองลืมกายลืมใจงานแรกนะที่พวกเราต้องฝึกให้ได้นะคือรู้สึกตัวเองให้เป็น ใจต้องรู้สึกตัวให้เป็นนะไม่ใช่ลืมตัวเองทั้งวันถ้าเรามีกายเราลืมกายแล้วเราจะเห็นความจริงของกายได้ยังไงเรามีจิตใจเราลืมจิตใจแล้วเราจะเห็นความจริงของจิตใจได้ยังไงเราไม่สามารถเห็นได้เพราะว่าเราลืมตัวมันไปแล้วได้ไปเห็นความจริงของมันได้ยังไงอย่างเราสมมติเรามีหน้าที่จะต้องคอยดูเราเลี้ยงลูกเนี้ยเรามีหน้าที่ดูลูกแ้่เราลืมลูกไปลูกเราเป็นไงก็ไม่รู้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้หรือแบบ เป็นนักวิจัยนะต้องไปทาพฤติกรรมเรียนพฤติกรรมของลิงสมมติอยากไปเรียนพฤติกรรมของลิงแต่เราใจลอยไปดูไปดูฮิปโปแทนนะไม่ได้ดูลิงนะเราก็ไม่รู้จักพฤติกรรมของลิงเนี่ยเราอยากดูตัวจริงของกายของใจแต่เราลืมกายลืมใจเวลาใจลอยยุงกัดก็ไม่รู้สึกใช่ไหมไม่รู้สึกตอนขันมากๆแนละ้วยุงมันบินตกมาให้ดูแล้ว ต, ตอนที่ยุงกัดไม่รู้สึก เพราะอะไรเพไม่รู้สึกกายใจก็คิดอะไรไปนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ใจของเราเป็นไงเพราะเราลืมใจของตัวเองงั้นสิ่งแรกเลยนะก็คือพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆอย่าลืมนานวิธีที่จะทําให้เรารู้สึกได้บ่อยๆนะต้องซ้อมเอาอยดดู่ดีๆมันไม่รู้สึกหรอกเพราะเราเคยชินที่จะลืมตัวเองมาตั้งแต่เกิดแล้ว ตั้งแต่เด็กๆนะอย่างบางคนไปเยี่ยมเด็กเกิดใหม่เยี่ยมว่าเพื่อนคลอดลูกนะไปเยี่ยมคุยกับแม่หน่อยหนึ่งก็ไปแย่กับเด็กนะจ้าเอ๋จ้าเอ๋นะชวนให้เด็กมันดูจ้าเอ๋จเอ้เนี่ยเด็กมันตั้งแต่ยังพูดไม่เป็นนะมันถูกหลอกให้ดูข้างนอกแนละ้วเราไม่เคยไปเจอเด็กเกิดใหม่แล้วบอกรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะเคยไหมรู้สึกตัวไว้ไม่เคยหรอกมีแต่จ้าเอ๋จ้าเอ๋หลอกเด็กนะหลอกให้ใจไปที่อื่นอะ แล้วเราจนโตนะเราก็ใจเราออกที่อื่นหมดสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นไม่สนใจตัวเองนั้นต้องฝึกอยู่ๆดีๆมันจะมารู้สึกตัวเองไม่ได้หรอกวิธีฝึกก็คือทํากรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจะพุโทโธก็ได้จะหาย ใ, ใจก็ได้นะจะดูท้องพองยุบก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้ทําอะไรก็ได้ทําสักอย่างหนึ่งแล้วใจเราหนีไปใจเราเผลอไปนะคอยรู้ไวๆ เช่นเราพุทโธพุทโธพุทโธเล่นๆนะไม่ใช่พุทโธให้สงบนะพุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธสบายใจไปเรื่อยพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดเรื่องอื่นละเนีเรารู้รู้ไวๆว่าใจมันหนีไปจากพุทโธละลืมพุทโธไปละเนีหรือเรารู้ลมหายใจอยู่นะ่อ้าวหนีไปละลืมลมหายใจไปละตอนที่เราไปคิดเรื่องอื่นนียเราลืมพุทโธเราลืมลมหายใจนะเมื่เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วค่อยรู้ทัน เวลาใจมันหนีไปที่อื่นนะพุโทโธพุโทโธใจหนีไปแล้วรู้ทันพุโทโธหรือหายใจไปใจหนีไปแล้วรู้ทันรู้บ่อยๆต่อไปมันจะหนีไม่นานคนที่ไม่เคยฝึกกรรมาฐานนะใจจะหนีไปวันละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับหนีตลอดนะหลับก็ฝันต่อไปอีกนะส่วนคนที่หัดปฏิบัตินะเนี่ยเจอเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะเผลอวันหนึ่งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้ง ยิ่งจำนวนครั้งของการเผลอมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะอะไรแสดงว่าสติเร็วขึ้นเรืความรู้สึกตัวเร็วขึ้นเรืๆคนที่ไม่เคยฝึกน้เาเผลอวัละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับนะไม่เคยรู้สึกตัวเลยถ้าเราเกิดรู้สึกตัวได้หนึ่งครั้งเนี่ยวันนี้มันจะมีช่วงที่เผลอสองครั้งรู้สึกตัวหนึ่งครั้งนี่ยต่อไปถ้าเราเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เนี่ยนะใจนี่จะรู้สึกตัวได้ถี่ยิบขึ้นมาเลยต้องฝึกอยู่ดีๆไม่เป็นหรอก เพราะว่าเราคุ้นเคยที่จะฝึกให้หลงเราไม่เคยฝึกให้รู้สึกตัวนะถ้าเรารักตัวนะอยากรักตัวกลัวทุกข์นะเราหัดภาวนาเข้าพุโทโธพุโทโธไปก็ได้แล้วคอยรู้ทันใจนะใจเผลอไปแล้วรู้หนีไิคิดอื่นแล้วไม่คิดพุดโทโธแล้วรู้ทันรู้ทัน ไ, ไดนะ้เราจะไม่เผลอนานจนะรู้สึกตัวเร็วนะนี่ข้อที่หนึ่งนะ ถ้าเราอยากดูกายดูใจก็อันแรกต้องไม่ลืมกายลืมใจนะข้อที่สองถ้าเราอยากดูความจริงของกายความจริงของใจเราจะต้องไม่แทรกแซงเราต้องไม่แทรกแซงกายไม่แทรกแซงใจดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นแต่นักปฏิบัติร้อยละร้อยนะคือนักแทรกแซงทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติก็จะแทรกแซงทันทีเลยพวกเราลองตั้งใจปฏิบัติดูใครเคยภาวนาแบบไหนลองทาดูสิลอง เดิมเห็นไหมบางคนแทรกแซงกายขยับขยับนะขยับได้ที่แล้วก็แทรกแซงใจทำใจให้ซึมสังเกตไหมส่วนใหญ่ในห้องนี้จะน้อมใจให้ซึ ม, มทำให้คลืมๆอยากคลืมได้ที่ก็หลับเลยนะอยากดูความจริงอยากดูของจริงก็อย่าไปแทรกแซงมัน มันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นะงั้นสิ่งที่ผิดนะของคนที่ทํำวิปัสสนาไม่ได้นะอันแรกลืมกายลืมใจของตัวเองเหลือไปอันที่สองพอคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็บังคับกายบังคับใจคิดถึงการเดินจงกรมก็ต้องตั้งท่าเดินใช่ไหมเนี่ยผมบอกอมาเดินจงกรมอยู่ท้ายห้องมาเดินจงกรมตรงนี้เดินอาอา้อาวๆ้ามานะถึงตรงนี้ทําคลึมแนละ้วบังคับร่างกายเรียบร้อยแล้วค่อยๆเดิน เราทาใจทื่อๆซึมๆไปบังคับกายบังคับใจถ้าเราบังคับกายบังคับใจนะเราจะไม่เห็นว่าจริงๆีนกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงกายใจของเราเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราบังคับแล้วมันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงมันจะนิ่งทื่อๆไปแล้วเราจะไม่ได้เห็นของจริงงั้นถ้าอยากเห็นความจริงของกายอยากเห็นความจริงของใจนะอันแรกอย่าใจลอยอย่าลืมตัวเองอันที่สองรู้สึกเข้าไปเลย ตอนนี้หายใจอยู่ไหมก็นะแค่รู้สึกนะเห็นร่างกายนี่หายใจลองดูซิเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมนะถ้าไปดูที่จ้องอยู่ที่ลมหายใจนะใจจะค่อยๆ่อบีมเข้าไปนะคอนเซนเทรตลงไปมันจะนิ่งเข้าไปนะลองรู้สึกสบายสบายายิ้มหวานหวานก่อนยิ้มหวานยิ้มให้สดชื่นแลว้วจําความรู้สึกสดชื่นตรงนี้ไว้นะแล้วเห็นร่างกายหายใจไปไม่ต้องวางฟอร์มเห็นร่างกายกําลังหายใจมันหายใจอยู่แล้ว เห็นด้วยใจที่สบายๆนี่แหละหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปลองดูลองดูงดนะพกติดสมถะมีนะพ อ, อ, อเริ่มให้รู้ลมหายใจไปจ้องลมใจก็ซึมไปเรื่อยๆถ้าซึมๆก็หยุดก่อนลืมตาขึ้นมาใหม่ยิ้มหวานๆยิ้มกับสายลมและแสงแดดนเออนี่ยใช้ใจที่ผ่อนคลายแบบนี้นะ แล้วไปรู้ร่างกายที่หายใจไม่ต้องรู้ลมหรอกเห็นทั้งตัวนียหายใจนะรู้ง่ายๆดูคระภีสูทั้งหลายนะหายใจออกรู้หายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าพรนะเจ้าสอนอนาปนาสตินะภสูทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าทำไมต้องไปนั่งขัดสมาธิ เป็นท่านั่งที่นั่งได้นานสำหรับคนที่ไม่มีเก้าอี้ของเรานั่งเก้าอี้อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องขัดสมาธิขึ้นมาหรอกนะนั่งอย่างเนี้ยแล้วก็มีสติอยู่เฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวถ้าไม่ได้บอกให้ไปรู้ลมหายใจนะหายใจออกยาวก็รู้ว่าตัวเนี้ยหายใจออกยาวถ้าไปรู้ลมหายใจก็เพ่งเฮกลม หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เอาอะไรเอารู้สึกความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันหายใจไปลองทำดูนะแล้วค่อยๆสังเกตทำอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วค่อยๆสังเกตว่าร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายหายใจอยู่เห็นไหมใจเราไปค้นไปรู้มันเข้าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละอันกันนี่เราจะเริ่มเข้าสู่การเจริญปัญญาชั้นสูงแล้วนะ ขันแรกรู้สึกตัวเป็นก่อนเห็นร่างกายมันหายใจนะดูไปเรื่อยๆนะไอ้กายที่หายใจเนี่ยมันมันหายใจอยู่ใจเราอยู่ต่างหากนะเป็นแค่คนดูลองพยักหน้าซิพยักหน้าไม่ต้องเร็วนะเดี๋ยวเปี่ยนตัวพยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเอายิ้มเห็นร่างกายยิ้มยิ้มหวานๆเห็นร่างกายยิ้มไหมทำหน้าบึ้งซิทำหน้าบึ้งเหมือนกับทั้งโกรธมากนะทำหน้าบึง้งเห็นร่างกายนะหน้าบึ้องไหมนี่ยหัดดู หัดดูไปเรื่อยนะเราจะเห็นว nah. ่าร่างกายก็เป็นอันหนึ่งนะจิตใจก็เป็นอีกอันหนึ่งคนล่อันกัดค่อยๆดูไปค่อยๆหัดะเนี่ยคือเรากําลังจะหัดถอดรโยน์ออกไปชิ้นๆแล้วหัดถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆแล้วเราจะถอดร่างกายออกไปส่วนหนึ่งนะถอดความรู้สึกออกมาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่อยรู้ส <bouncy> ึกไปนะร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดู ร่างกายมันยิ้มใจเป็นคนดูเอายิ้มก่อนยิ้มยิ้มให้สดชื่นเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ต้องไปเห็นด้วยตาหรอกรู้สึกยกมือซิยกมือเห็นร่างกายยกมือนะเอามือลงลงคนเชวอากาศเกาเลยเกาก็เห็นร่างกายเกาเนี่ยฝึกไปนะฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกัน ถ้าฝึกได้ดีนะต่อไปร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่แล้วนะร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราแลนะ้มันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า้ค่อยๆฝึกไปแล้วหัดดูไปเ้วยนะต่อไปมันจะแยกได้ละเอียดเข้าไปอีกอย่ในร่างกายก็ไม่ได้มีแต่ร่างกายในร่างกายมีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์อยู่ด้วยนะเอาลองหยิกตัวเองดูไม่ต้องแรงนะเราจะหยิกเพื่อการศึกษานะแล้วรู้สึกห ความเจ็บเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายร่างกายทีแรกอยู่เฉยๆไม่เจ็บใช่ไหมลองหยิกดูแล้วความรู้สึกเจ็บมันแอบเข้ามาทีหลังรู้สึกไหมความรู้สึกเจ็บเนี่ยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันแล้วความรู้สึกเจ็บเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเ้าลองหยิกดูเผื่อจะเป็นบรรลุพระอรหันต์ในท่าหยิกนี่แหละรู้สึกไหมความรู้สึกเจ็บมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ร่างกายเลยนะถ้าทําได้นะต่อไปไปทดสอบ ขั้นแอดวานซ์เลยนะขั้นสุดยอดเลยไปทําฟันใครไปทําฟันเคยทาฟันไหมไปหาหมอฟันเนี่ยเป็นเรื่องหวัดเสียวนะทําฟันนะเราเห็นเนี่ยความเสียวแทรกเข้ามาในฟันเนี่ยแล้วความหวาดเสียวหวาดกลัวแทรกเข้าในใจนะเวลาหมอฟันทําฟันได้ยินเสียงกรอกรอฟันนะฟังแล้วเสียวใช่ไหมเนีใครเสียวฟันก็เสียวส่วนหนึ่งนะใจก็หวัดเสียวด้วยใช่ไหม ่ความบาดเสียวที่ร่างกายนะเป็นอันหนึ่งนะความบาดกลัวในใจเราเป็นอีกอันหนึ่งนะเนี่ยค่อยๆหัดแยกไปเนี่ยเราจะถอดรถยนต์คันนี้ออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วนะค่อยๆฝึกค่อยๆแยกไปเรื่อยเห็นไหมตัวอะไรหายใจอยู่เห็นไหมตัวอะไรเกา่า <laughs> นี่เก่าหลายทีแล้ว <laughs> อาบน้ําปล่าเมื่อเช้านี <laughs> ่ย เนี่ยเห็นไหมตัวอะไรยิ้มเนี่ยค่อยๆดูไปนะเห็นไหมใจมีความสุขเห็นไหมความสุขอยู่ที่ใจดูไปสิดูไปที่ความรู้สึกสุขเห็นไหมความรู้สึกสุขเริ่มหายไปกลายเป็นนิ่งกลายเป็นความอุเบกขาเป็นนิ่งๆเนี่ยหัดดูของจริงอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าทุกอย่างนี่เปลี่ยนแปลงตลอดเลยร่างกายก็เปลี่ยนแปลงตลอดนะเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอน เดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวหน้าบึง้งเดี๋ยวเคลื่อนไหวเดี๋ยวหยุดนิ่งนะสารพัดจะเป็นความรู้สึกก็เหมือนกันเดี๋ยวก็สุกนะเดี๋ยวสุกก็หายไปเดี๋ยวมีความทุกข์ความทุกข์ก็หายไปนะมีความเฉยๆความเฉยๆก็หายไปเนี่ยดูของจริงนะมัจะเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปหรือบางทีใจเราโกรธใจโกรธเนี่ยไม่ต้องไปดูคนที่ทําให้โกรธใจเรารักก็ไม่ต้องไปสนใจคนที่เรารักให้เรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองเราจะเห็นในความโกรธเกิดขึ้นมาแล้ว ทำโกรธอยู่ชั่วคราวนะแล้วก็หายไปความรักเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเราจะเห็นในทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะเป็นกลัวมันว่าสับตัวนี้ยากหรือเกินต้องไปเดินจงกลมว่าหลายวันทำอะไรที่ผิดมนุษย์มนาทรมานมากมายนะไม่ยากอย่างนั้นหรอกอย่าลืมตัวแล้วก็อย่าไปบังคับตัวนะบังคับกายอย่าบังคับใจ อย่าลืมกายอย่าลืมใจแค่รู้สึกมันเองเอายิ้มอีกชักซึมแล้วรู้สึกไหมซึมเป็นชื่อของซุ่มอย่าซึมนานเ <c oughs> นี่ยยิ้มหวานรู้สึกไหมใจผ่อนคลายเมื่อกี้ใจซึมๆรู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้สึกไปนะรู้สึกในร่างกายก็ได้รู้สึกที่ความรู้สึกก็ได้เพรร่างกายก็จะสอนให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกทั้งหลายก็จะสอนให้เห็นว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอก ทุกวันนี้เราดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์นะต่อไปเราจะเห็นว่าความสุขก็มาชั่วคราวแล้วก็หายความทุกข์เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายใจที่จะดิ้นหาความสุขใจที่จะดิ้นหนีความทุกข์นี่จะลดการดิ้นลงไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่ดิ้นเลยหมดการดิ้นรนหมดความปรุงแต่งหมดความอยากหมดความหิวใจเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงฝึกนะไม่ยากหรอกใจตอนนี้เป็นไง แอบไปคิดรู้สึกไหมใจหนีไปคิดเป็นส่วนใหญ่นะห้ามคิดต่อไปนี้ห้ามคิดคิดไหมคิดห้ามไม่ไดนะ้ทำไมห้ามไม่ได้คำว่าอนัตตาบังคับไม่ได้กายนี้เราก็บังคับไม่ได้จริงนะใจนี้เราก็บังคับไม่ได้จริงโดยเฉพาะใจเนี่ยบังคับยากมากนะบังคับไม่ได้อนะ สั่งให้มีความสุขก็ไม่ได้ใช่ไหมห้ามทุกข์ก็ไม่ได้เคยตั้งใจไม่ว่าจะไม่โกรธล้วโกรธไหมโกรธยิ่งตั้งใจไว้มากนะจะยิ่งโกรธแรงเลยเคยไม่ตั้งใจจะไม่รักล้วก็รักอ่ะเห็นไหมกะว่าจะไปช็อปปิ้งไปเดินเล่นอ่ะเอาเอาความเย็นนะไม่ซื้อหรอกวันนี้ไม่ซื้อหรอกเสือแวบเดียวนะคนถ้าไม่ไหวเลยรถเก๋งคันเดียวไม่พอใส่ ใจนะใจมันมีความอยากขึ้นมารู้ทันมันใจมันมีความโกรธขึ้นมารู้ทันมันใจมันเป็นไงรู้ทันเราจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวไปหมดความดีก็ชั่วคราวความชั่วก็ชั่วคราวนะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวให้เห็นซ้ ำ, ซ, ำซ้ำไปถึงวันหนึ่งมันจะฉลาดเลยว่ามิแตของที่ชั่วคราวเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนถาวรเลย ใจที่จะดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์กค่อยๆลดแรงดิ้นลงไปในที่สุดก็หมดการดิ้นรนมามีความสุขในความสุขที่อิสระทุกวันนี้เราหาความสุขความสุขของเรายิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาเลยเช่นเราต้องมีอันนี้นะเราถึงจะมีความสุขเราต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขเราต้องไม่เจออีนางคนเนี้ยเราถึงจะมีความสุขมีเงื่อนไขมากเลยนะะเป็นไหม ถามจริงอ่ะเกลียดใครสักคนไหมในชีวิตรู้จักความเปลี่ยนไหมเกลียดคนสักคนหนึ่งมีไหมบางทีมันไม่ได้ทําอะไรเราเลยมันสวยกว่าเราเท่านั้นอะ่ะ <c> น <oughs> ั่ก็เกลี่ยนมันละเนีใ่ใจใช่ไใจมันบางคนเราก็ชอบนะเจอคนที่ชอบเราก็สบายใจใช่ไหมเจอคนที่เกลียดล้วก็ไม่ชอบใจอึดอัดคนที่เกลียดไปเราก็ดีใจนะ คนที่เราชอบไปเราก็คิดถึงใจเราเนี่ยนะมันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ได้นะมันจะรักมันจะเกลียดมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีจะชั่วห้ามมันไม่ได้เนี่ยดูของจริงเข้าไปนะจะเห็นความจริงฝึกนะไม่ยากหรอกถ้าทาได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะใช้เวลาไม่นานจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรความทุกข์จะกระเด็นออกไปจากใจเราได้ยังไงความทุกข์จะหายไปจริง อยู่ที่ฝึกเอาแล้วล่ะจะมีซีดีแจกมาอ๋อไปฟังนะบางคนมีซีดีหลวงพ่อแผ่นเดียวก็ พ, อ, พอแล้วล่ะเพราะทุกการที่เทศเนี่ยสมบูรณ์อยู่ในตัวเองแล้วไปภาวนาไปภาวนาก็คือไปดูของจริงดูของจริงก็คือไม่ใจลอยไปไม่บังคับกายไม่บังคับใจนะดูกายมันทำงานไปดูใจมันทำงานไปดูไปธรรมชาติธรรมดานี้นะ แต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่จะช่วยให้เราดูได้ดีอยู่สองันแรกถือศีลห้าไว้ก่อนถ้าเราไม่มีศีลใจเราจะฟุง้งซ่านแชมจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วใจมจะฟุ้งตลอดเวลาอีกอันหนึ่งก็คือแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบทุกวันไว้พาสวดมนต์แล้วก็นั่งดูกายนั่งดูใจเป็นทำงานแอบฝึกนะแอบฝึกของเราเองอะ่ะไม่ต้องไปให้คนเห็นหรอกเดี๋ยวเขาว่าบ้ า, บา อย่างคนไปเห็นคนเดินจงกรมมก็รู้สึกว่านี่บองๆองละเราเดินจงกรมไม่ต้องให้ใครรู้ก็ได้เดินไปธรรมดาเนี่ยเดินขึ้นก็ได้ก็ได้ทุกก้าวที่เดินนะเรารู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูแค่นี้ก็เดินจงกรมแล้วไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาก็ได้ทําไมพระต้องเดินกลับไปกลับมารู้ไหมไม่งั้นก็เดินออกไปนอกวัดสิก็แค่นั้นเองนะเลยต้องเดินไปถึงกําแพงแล้วก็เดินกลับนะงั้นเดินออกนอกวัดเดี๋ยวก็ มาถึงศูนย์การค้าจนได้อ่ะนี่เราเดินทุกข้าวที่เดินนะรู้สึกตัวเนี่ยเดินระหว่างห้องระหว่างตึกนะรู้สึกไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูฝึกไปทุกวันทุกวันจะกินข้าวจะอาบน้ําจะขับถ่ายก็คอยรู้กายคอยรู้ใจเวลาขับถ่ายความรู้สึกเราก็เปลี่ยนใช่ไหมเวลาท้องผูกรู้สึกไงสดชื่นไหมไม่สดชื่นเลยเป็นนั่งอ้อนวอนทั้งนานเออ อ, อาดอันไม่ยอมออกอะไรย่างนี้นะถ่ายได้มีความสุขเห็นไหมนะมีความสุขแน่จากใจที่เครียดนะกลายเป็นใจที่ผ่อนคลายใช่ไหมแค่เรื่องขับถ่ายนะใจก็เปลี่ยนแล้วนะถ่ายไม่รู้จักเลิกเลยขับนี้ไม่ผ่อนคลายแล้วชักกังวลอีกแล้วนเะท้าเสียอีกแล้วนะทุกเรื่องเลยนะเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้กายรู้ใจได้นะจะกินข้าวจะอาบน้ําจะแต่งตัว เวลาแต่งตัวนะถ้าบริษัทเราไม่ได้กําหนดว่าต้องแต่งเครื่องแบบอย่างงี้นี้ตอนเช้าเราก็ต้องคิดเลยไนหะมบางทีต้องคิดล่วงหน้าวันไหนจะแต่งชุดยังไงจะรียดยังอะไรดูอันไหนจะสวยอันนี้เข้ากันนี้ไหมรองเท้าเข้ากับทรงผมไหมอะไรเงี้ยต้องคิดเนี่ยแค่จะแต่งตัวนะแต่งตัวเสร็จแล้วส่องกระจกอุ้ยสวยจังเลยดีใจพอใจรู้ว่าพอใจแต่งตัวเสร็จแล้วรู้สึกว่าไม่สมบูรณ์ไม่เปอร์เฟก ชักจะอึดอัดใจกงังวลเคยไม่แต่งหน้าเสร็จแล้วกังวลใจแต่งว่าไม่น่าทาสีนี้เลยไม่สวยไม่เข้ากับผ้าเนี่ยใจของเรานะเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวไม่พอใจคอยรู้ได้ได้ๆนะแต่ว่าอันนี้เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันควรจะแบ่งเวลาไว้วันหนึ่งสักสิบห้านาทีทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องยาวนะสั้น แล้วก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาดูกายมาดูใจมันทำงานมาซ้อมดูการซ้อมเหมือนทหารก็ต้องซ้อมลบมันนั่งมวยก็ต้องซ้อมก่อนจะขึ้นชคจริงการฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยคือการลงสนามลบจริงๆแล้วแต่ว่าการอยู่ที่บ้านเราคนเดียวเราหัดภาวนาวันหนึ่งแบ่งไว้สักสิบห้านาทีนะเหมือนเราเข้าค่ายซ้อ ม, ม น, นะสู้อยู่คนเดียวไม่ได้สู้กับคนอื่นไปฝึกนะทุกวันทุกวันพยายามฝึกของเรา ชีวิตจะได้ดีขึ้นเรื่องอะไรต้องทุกตลอดการเรื่องอะไรเหรือชีวิตเราจะต้องวนเวียนเหมือนคนอื่นเขาเหมือนคนอื่นยังไงตอนเด็กๆก็ไปเรียนหนังสือโตขึ้นจะไปทํางานมีครอบครัวมีลูกมีอะไรสุดท้ายก็แก่เหมือนที่คนอื่นเขาเป็นเจ็บเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นตายเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นไม่เห็นมีอะไรสักอย่างหรือบางคนว่าชีวิตนี้มีอะไรมากมาย สุดท้ายก็ไม่มีอะไรสักอย่างว่างเปล่าอยู่ดีเพราะจริงๆไม่มีอะไรหรอกมีเงินเยอะๆสุดท้ายก็ว่างเปล่าเป็นสมบัติของคนอื่นหมดมีเมียรัก้าตายใช่ไหมเราเกิดตายปุ๊บปั๊บไปหรือยังไม่ทันตายมันไปมีสามีใหม่ล้วก็มีนะอย่างเงี้ยทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตไม่ได้เราจะทุกข์ ถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตไดนะ้คือเราเห็นซ้าๆนะว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างมันบังคับไม่ได้เราจะไม่ทุกข์หรอกความทุกข์จะไม่มีไปฝึกนะเพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นเวลาทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็ได้เดินจงกลมก็ได้เดือนั่งสมาธิก็นั่งอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่นะไปนั่งแล้วสืบไปนะประเภทนั่งเปิดซีดีด้วยนั่งแล้วก็ ครบชั่วโมงหนึ่งตื่นขึ้นมาอาวันนี้สงบดีจริงจริงสลบไปชั่วโมงเลยวันนี้บอกสงบดไีได้เรื่องไม่มีสตินั่งสมาธิลืมตาก็ได้พระเจ้าไม่ได้สอนให้หลับตาซะหน่อยอย่างท่านสอนอานาปนสตินะบอกดูุกะพิสูทั้งหลายให้ใหเธอคูบันหลังนั่งตั้งกายตรงดํำรงสติเฉพาะหน้ายอย่างถ้าเรานั่งก็ยัง นั่งตรงๆเลยไม่ต้องตัวคดตัวงอไปมันเดี๋ยวบาดเจ็บพิกลพิการนะนั่งสบายๆนะตั้งายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าสั้นไม่มีคําว่าหลับตาเลยผู้บันหลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกรู้ว่าออกหายใจเข้ารู้ว่าเไม่มีคําว่าหลับตา พรวกเราคิดถึงการนั่งสมาธิเราต้องหลับตานึกออกไหมเพราะอะไรตอนเด็กๆ ด, ดูหนังจกัจกจักรงๆงมากไปเรื่องสีชอบนั่งหลับตาเลยคิดว่านั่งสมาธิจะต้องหลับตาลืมตาไม่มีสมาธิหรอเอคิดดูนะถ้าลืมตาแล้วยังมีสมาธินั่นมันจะเก่งแค่ไหนใช่ไหมหต้องหลับตาแล้วมีสมาธิถ้ามีได้ก็ดีส่วนใหญ่มันไม่มีหรอกนั่งแล้วก็เคลิบเคริอมลื ม, ลมเนื้อลืมตัวนั่งแล้วฝัน เรียกว่านิมิตเรียกสกโก้เลยนะนิมิตฝันนั่นแหละเห็นโน้นเห็น น, น, น, นี่เห็นไปเห็นมาเห็นเปนชินนะเืมตาขึ้นมานะแยกไม่ออกเลยนี่คนหรือผีหรือเทวดารื อ, อะไรที่มองเห็นเนี่ยพวกภาวนานนะสติไม่ทันนะเห็นแล้วไม่รู้ว่าตัวจริงหรือตัวปลอมเดินไปทักทายคุยนะชาวบ้านนี้มันบ้าแล้วมันคุยกับต้นไม้ ยิ้มเรารู้สึกไหมรู้สึกพยักหน้ารู้สึกเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจนะฝึกให้ได้นะรักษาศีลห้าไว้แบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบวันนึสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีอะไรก็ได้นะที่เหลืออยู่ในชีวิตธรรมดานี้ยแหละคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจตามองเห็นความรู้สึกเราเป็นไง หูได้ยินเสียงความรู้สึกเราเป็นไงใจเราคิดความรู้สึกเป็นไงนะคอยรู้ทันไปร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกไปนะตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าตอนพูดเนี่ยหายใจออกหรือหายใจเข้าหรือไม่หายใจตอนพูดอพูดครั้งแรกตอนไหนรองแย้แย้ไง พูดมาตั้งแต่เกิดเลยอออกมาทีแรกก็เริ่มพูดแล้วแ้แ้ แ, แ้ยังไม่รู้เลยว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าเอาไงดีตอนเรากลืนน้ำกลืนข้าวอะ่ะหายใจออกหรือหายใจเข้าหายใจเข้าตายแน่เลยหรือหายใจออกหรือไม่หายใจไปดูให้ดีนะอะไรเรื่องของตัวเองไม่รู้เลย ไม่รู้จริงเหรอหรือแกล้งโง่โง่จริงป่ะโง่จริงนะไปเรียนรู้ตัวเองหน่อยนะเรารู้อะไรทั้งโลกเลยนะใครเขาทาอะไรเรารู้หมดเลยแต่ตอนเรากินข้าวกินน้ําเราหายใจยังไงเรายังไม่รู้เลยไปหัดดูนะไปดูของจริงนใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันจะได้เห็นนั่งอยู่อย่างเงี้ยตอนลุกขึ้นมาจะขยับส่วนไหนก่อนเอาลองลุกซิ ขยับอะไรก่อนเออขยับอะไรก็ได้นะแต่ละคนก็ขยับตัวนะแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกไปเรื่อยนะสุดท้ายจะเห็นนะมันไม่ใช่เราฝึกนะฟังเข้าใจยากไหมฟังทีแรกเข้าใจยากนะแต่ว่าฟังแล้วฟังอีกหาดภาวนาเขาไปภาวนา แทนคุณพระพุทธเจ้านะด้วยการปฏิบัตินะพวกเราในชีวิตเราจะได้ดีมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเรื่องไรเราจะปล่อยชีวิตเราเหมือนคนทั่วๆไปที่ไม่มีการศึกษาธรรมะเกิดมามีชีวิตไปบันๆ น, นะตามอย่างกันไปเรื่อยๆก็ตายตามกันไปเรื่อยๆหาสาระแก่นสารไม่ได้จมอยู่ในความทุกข์ตลอดกาลมาฝึกตัวเองจนมันไม่ทุกขนะ์นะความทุกข์จะหายไปจากใจ ฝึกทุกวันไปฝั่งซีดีเอาถ้ายังไม่รู้เรื่องแล้วไม่แนะนําให้เที่ยวปฏิบัติที่โน่นที่นี่เลยนะหลวงพ่อมาก่อนแนะนําเหมือนกันคนลองไปทําที่โน่นที่นี่ยิ่งสับสนสับสนฝึกเราที่บ้านนี่แหละปลอดภัยที่สุดไม่เสียตังค์ด้วยต้องเสียค่ารถไปทําที่ไหนอยู่ที่บ้านนี่แหละใครแต่งงานแล้วบ้างมีไหมไ ม, มีลูกไหม ใครมีลูกบั่งเลี้ยงลูกมีความสุขหเลยมีความทุกข์ไม่แน่ใช่ไหมบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์ใช่ไหมต่อไปนี้นะเลี้ยงลูกก็ทํากรรมฐานได้ใช่ไหมเลี้ยงลูกไปแล้วลูกเราน่ารักอย่ลูกเรารักความรู้สึกรักเกิดขึ้นรู้ทันวันเนี้ป้อนข้าวนะมันไม่กินสักทีนะมันอมอยู่นั่นแหละ <laughs> ชักโมโหแนละ้วโมโหรู้ว่าโมโหเนี่ยฝึกกรรมฐานนะ รู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกเราก็รู้สึกไปทำอะไรก็คอยรู้สึกไปฝึกนะกวันหนึ่งชีวิตจะดีมีความสุขต้องทำเอาไม่ทำไม่ได้หรอกอท่านี้ก็พอแล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อล่าสุดเดือนกุมภาครับผมก็อปอดควม ป, ปีไหนอะ่ะปีนี้ปีนี้แนะ้วกุมภา <laughs> มีหลายปี <laughs> ก็ดูความไม่เป็นกลางฮะก็ยังก็ยังไม่เป็นกลางอยู่แต่ว่าเห็นความยินลายมากขึ้นเร า, าเราไม่ได้ฝึกให้เป็นกลางนะมันเป็นเองครับ <c oughs> เราให้รู้ทันตรงที่มันไม่กลาง น, ะน่นเราไม่ได้ไปแทรกแซงว่าเธอจะต้องกลางนะครับ <c oughs> ไม่กลางก็ได้ยินดีรู้ทันยินลายรู้ทันแล้วก็เห็นอีกมันยินดีก็ยินยดีได้เองยินลายก็ยินลายเองสั่งมันไม่ได้นะครับ <c oughs> เรียนรู้จนเห็นเลยไม่มีอะไรที่สั่งได้ มีอันนึงที่สังเกตตัวเองนะฮะคือจิตเวลาที่ไปจับอารมณ์นะก็ อ, ะอย่างที่หลวงพ่อเคยเคยสอนมา่อคราวที่แล้วฮะก็คือจิตมันจะปล่อยอารมณ์ได้ได้ได้ได้เร็วขึ้นนะฮะเมื่อมีสติอะฮะครับเวลามันทูกข์ทางใจนะมันอยู่ที่จิตเข้าไปจับทั้งนั้นแหะจิตเข้าไปยึดถือจิตก็ทุกข์เมื่อจิตวางจิตก็ไม่ทุกข์อันนี้เป็นธรรมะขั้นหนึ่งนะครับผมขั้นสุดท้ายเนี่ย จิตจะยึดหรือจิตจะไม่ยึดจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์เป็นอีกแบบหนึ่งครับนะเราเรียนเป็นเป็นลําดับไปดีแล้วละยังอยู่ในทางใช่ไหมครับสังเกตไหมไกายกับใจมันเป็นคู่ละกับมันแยกแล้วนะขันมันแยกได้แล้วเังนั้นต่อไปที่เราดูเขาทางานไปดีใช่ได้ครับธรรมศาสการครับครัคร้งล่าสุดที่ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อคือครั้งไหาที่หลวงพ่อมาตอนนี้เพลงนี้ยัง ตอนไม่เพลงครับใจมีน้ำหนักไหมมีนิดนึงครับเพลงนิดหนึ่งครับเป <c oughs> ็นวิธีวัดนะครับก็ครั้งที่แล้วที่ส่งการบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าอย่าโลภแล้วก็ให้ปฏิบัติโดยที่ไม่หวังผลนะครับก็ให้ทําไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวพอเมื่อไหร่มันก็จะถึงเวลาเมื่อ น, นั้นอความเพียรก็ทําเท่าที่ทำได้ครับแล้วอย่าไปแทรกแซงมัยไปบังคับมันครับดูไปสบายๆ ก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ทํา <c oughs> ก็ทำเหมือนเดิมอย่างที่บอกหลวงพ่อไปกอ็อสิ่งที่เจอในภาพรวมที่เห็นมาเนี่ยคือก็จะเห็นไตลักแล้วก็จิตที่ที่เจอเป็นภาพรวมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นสภาวะเรื่องของทุกขังเยอะ <c oughs> เพราะว่ามันเห็นอะไรที่มันแบบผ่านมาผ่านไปอะไร <c oughs> มันเกิดดับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีทางออก <c oughs> มันจิตมันถูกถกบีบคั้นเออ <c oughs> ถกแล้วก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเนี่ยมันมันมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยอความสุขที่มันเข้ามาหรือว่าความทุกข์ที่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ถาวรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แป๊บเดียวมันก็หายไปดีเราลาพอนาเป็นแล้วละพอนาถูกแล้วเตืนปัญญาได้แล้วครับพันนิ้วหายออกไปแล้วนะครับดวงไหมครับดีทีนี้ที่ที่ทรมานมากในช่วงที่ผ่านมาคือไอ้ตัวทุกข์ขังที่มันบีบพันเนี่ยนะครับก็ก็รู้สึกแย่มากเพราะว่ามันเหมือนกับมันคลุม เราไม่มีทางออกครับไม่มีทางหนีเพราะจริงๆกายเนี่ยทุกข์ทำไงจะไม่มีกายใจเนี้ทุกข์ทำไงจะไม่มีใจมันมีอหนีไม่ได้หรอกต้องอยู่กับมันครับก็ได้มาคํานึ่งครับก็คืออดทนครับก็คือครั้งที่แล้วหลวงพ่อก็บอกก็ครูบาอาจารย์ที่เคยไปคุยด้วยท่านกะบออดทนอย่างเดียวทนสู้อย่างเดียวเพราอะไรเพราะมันทิ้งมันไม่ได้ มันจะต้องทนนะแต่ไม่ใช่ทนนิรันดนรันะ์ทนรู้ทนดูไปด้วยนะจนวันหนึ่งเนี้จิตเข้าสู่ความเป็นกลางครับเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างแท้จริงนะนะบุญบา ร, รมีเราพอเนะียเกิดมรรคเกิดผลนะจิตจะคลายความยึดออกไปครับตอนนี้มันยังยึดอยู่ก็ทุกอยู่ครับนะดีแล้วครับก็มีจุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของศรัทธานะไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรที่ เปลี่ยนไปหรือเปล่าคืออย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยตอนนี้ในใจที่เห็นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้เป็นพระพุทธเป็นพระธรรมปพระสงฆ์แล้วก็สิ่งที่ที่มองอยู่เนี่ยคือศรัทธาที่อึดมั่นหลักๆคือพระธรรมอืมครับเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าการที่เราเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันเนี่ยมีหลายระดับนะครับอันนี้ยังไม่ไม่ถึงฉีดสุดครับถ้าถึงที่สุดแห่งทุกข์เราจะเห็น เป็นอีกมุมหนึ่งมันคือความบริสุทธิ์อันเดียวกันตอนนี้เรายังไม่รู้สึกใจเรายังไม่เป็นพระสงฆ์ก็โดยรวมมีเท่านี้ครับหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับดูไปซื่อๆนะดูไปอย่าที่ก็เป็นอย่าหวังเลยว่าจะพ้นทุกข์ง่ายๆดูไปเล่นๆเท้าสู้เอาทน ของคุณดีขึ้นเยอะแล้นะขันเกิดแยกหมดแล้วนระันนกนสกาครับครั้งก่อนส่งกันว่าหลวงพ่อเออคือหลวงพ่อเคยบอกว่าจิตมันไปค้างอยู่ข้างนอกแล้วครั้งคังล่าสุดที่มาส่งเนี่ยมันว่าเพ่งอยู่ที่กายแต่เข้าใจว่าตอนนี้ก็ไม่ไม่อยู่ที่กาแลใช่ไหมครับอืมแล้วก็ไม่เ<ม>ค้ออกนอกก็คือมันอยู่ตรงกลางดีขึ้นได้ใช่ไหมอย่ารักษาไว้ตรงกลางนะรักษาไม่ได้ไรักษาไม่ได้จิตออกนอกก็ผิดนะจิตเข้าในก็ผิด เลยไปรักษาไว้ตรงกลางควบผิดดีกันแล้นะอย่างตอนนี้อ่ามีฟังซีดีพ่ออันนึงอะครับหลวงพ่อบอกให้ไปลองภาวนาเมตตาคุณนางอระหงังเมตตาก็ไปลองทําดูรู้สึกชอบ อ, อยืยุคนี้เหมาะเพราะว่าพวกเราทําสมถะไม่ค่อยเป็นแล้วโทสะของพวกเราเยอะมันกระทบกระทั่งแรงหลวงพ่อก็เลยสอนคาถาสมเด็จโตหรอกไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอก พบริกรมรมภาถาเมตตาอนะไร่างี้ะใจเย็นใจได้สมาธิใจได้สงบได้มีความสุขบ้างแล้วก็มาเดินปัญญาต่อครับอันนี้ใช้เป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันก็ได้ลครับก็เหมือนภาวนาพุโทโธแบนเดียวกันแหละคือผมจะแบบบางทีถ้าลึกขึ้นมาได้ว่าไม่ได้ภาวนาก็จะบริกรรมในใจในชีวิตบริกรรมไปบริกรรมเล่นๆ น, นะครับบริกรรมแล้วก็รู้ทันจิตไป บริกรรมไปแล้วจิตใจสงบรู้บริกรรมแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้บริกรรมแล้วรู้ทันจิตไปก็จะต่อเข้าปัญญาไปเลยแต่ถ้าต้องการความสงบก็ไม่ต้องรู้ทันจิตบริกรรมเล่นๆไปจิตจะสงบอันนั้นเป็นสมถะแต่ถ้าจะขึ้นต่อวิปัสสนาเขาบริกรรมแล้วก็รู้ทันจิตไปบริกรรมแล้วจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุก็รู้ขอบคุณครับเหมือนครูบาอาจารย์พุทโธ พุโทโธพุธโทโธนะให้ใจอยู่กับพุโทโธก็ได้ความสงบนะพุโทโธเรารู้ทันจิตเห็นเกิดปัญญาว่าม า, าโอ้ก็ดีขึ้นทั้งเยอะแล้วล่วะจะสงใส่อะไรหือตื่นเต้นเห็นไหมว่ากายกใจก็โค่นละนทำได้ดีแล้วนะพอนานดีแล้วล่ะไม่มีปัญหาหรอกคุณหลวงพ่อคะ รัศกาศหลวงพ่อครับอืก็ไปฝึกกรรมฐานเดินจงกรมเ ห, เหลือเดินจงกรมอย่างเดียวครับแล้วก็ทําให้ตอนเนื่องเลยทุกวันอืมก็ไปส่งกันบ้านพี่มาลีมาบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่แทรกแสงมากขึ้นนะครับอืแล้วก็หัวจงกรมทายจงกรมก็หยุดอืหยุดให้มันแบบใจก็หยุดจริงๆเห็นก็เห็นบ่อยขึ้นแต่บางทีมันก็มีแบบเอ่อ ในในรูปแบบนะครับก็จะแบบยังไม่ค่อยทานตรงที่ว่าเราไปไปชอบพอพอไปเห็นมันปุ๊บบางทีก็แบบเอ้ยมันแอบชอบนี่มันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมีแอบภักบ้างอะไรเงี้ยครับไม่ไม่มีปัญหานะมันชอบไปก่อนแล้วรู้ว่าชอบถูกแล้วก็เลยไม่รู้ว่าผมกําลังติดอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าครับหรือว่าที่ทําไม่ต้องกังวนนะทําไปได้เรื่อยๆติดนะติดทุกคนแหละถ้าไม่ติดก็หลุดพ้นละต้องติด ก็ค <problem> ือที่ทําอยู่จะเน้นถ้าในชีวิตชีวิตประจำวันก็จากการเดินจงกมก็จะใช้อาศัยเดินไปก็รู้ตัวเดินไปก็รู้ตัวแล้วมันจะเป็นแบบว่าบางทีก็พอเรารู้ตัวเผลอยาวปุ๊บก็หยุดเดินเดินหยุดหยุดอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าเราบ้าไปหรือว่าบางทีเดินไปจะขึ้นโลไฟฟ้าอะไรเงี้ยว่าแบบเดินพัดไปด้วยถึงลมไปด้วยก็บอกว่าบางทีก็เผล่คิดไปยาวก็หยุดอืม บางทีมันก็พอหยุดปุ๊บก็แอบไปเพลงก็เห็นว่าเออมันมันดูเท่ยังไงดูอย่างนั้นน่ะได้แต่เราอย่าไปทําอะไรให้คนเขาประหลาดใจเกินไปนะเดี๋ยวเ้าจะรู้สึกว่านักปฏิบัติมันบ้องบ้องอ่ะครับคลงเกลืนไปคลงกลืนไปมีสติไม่ไม่รู้ว่ามันยังบอกว่าอะไรไม่พอหรือว่าที่ต้องทําอีกยังไม่พอ ก็ได้ทุกวันเลยจนเป็นพอที่ชอบก็คือตอนว่ายน้ำอะค่ะก็จะเหมือนตอนเดินจงกรมแต่มันมันก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวแต่แบบบางทีมันก็รู้สึกว่ามันอยากรู้มากกว่านี้หรอกก็รู้ว่าอยากสิอืมก็ต้องรู้ว่าอยากใจมันโลภแต่ว่าตอนไปว่ายน้ําไปอะไรใจมันเพลินไหมมีจะเพลินเพลินง่ายเพราะผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาเข้าฟิตเนสอะไรอย่าเพราะงั้นเวลาเล่นนี่ยใจจะเผลอเพลินไป เคลืนง่ายมีสติเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งคอรู้ทันใจที่ชอบราคะแทรกก็รู้ทันนะอะไรแทรกเข้ามารู้ทันไปต้องไปดูอะไรเป็นพิเศษหรอมีอะไรให้ดูดูนั่นแหะโอเคค่ะขอบคุณคับก่อนวันนี้ใจไม่ค่อยมีอะไรงอะค่ะแต่ว่า ก่อนหน้านี้มันเหมือนมีติดที่จะลงไปเข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นฐานของมันแต่พอมันติดอยู่สักพักแล้วมันก็หลุดออกมามันก็อยู่ตรงกลางแต่พอเวลาที่สมาธิไม่พออย่างนี้ค่ะมันมันก็ดูไม่ถึงสิตแล้วก็อย่างช่วงนี้ค่ะใจไม่มีแรงแต่มันก็เหมือนพยายามย้อนลงมาว่ามันมันอยู่ที่ฐานอยู่หรือเปล่าอย่างนี้ค่ะก็ถ้ามันไม่มีแรงก็ทำสมถะ นะสรุปสามาธิเป็นที่ทําให้เราได้แรงเราก็ไม่อยู่กับพูดโทรอยู่อะไรไปไม่ต้องกังวลใจหรอกถ้ามันมีกําลังแล้วเข้าที่ของมันแต่พอเวลาที่มีกําลังแล้วเข้าที่คือรู้สึกว่าไม่น่าใจว่ามันเดินปัญญาหรือเปล่าอะคะเพราะว่ามันเหมือนมันเห็นมันไม่ค่อยสนใจที่จะดูการปรุงเท่าไหร่แล้วก็จะไม่เห็น จิต ท, ที่ชอบหรือไม่ชอบคือดูเหมือนจะดูไม่ถึงจิตนะเราดูไปติดที่ตัวรูปตัวนามมันเข้าไปไม่เห็นไตรลักษณ์มั้งเห็นไหมถ้ามันไม่ยอมดูไตรลักษณ์นะต้องช่วยมันคิดพิจารณาคิดนํามันไปสอนมันไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหลังมันจะดูไตรลักษณ์ได้เองนั้นเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวอยู่เฉยๆยเงี้ยอันนี้ต้องช่วยมันสอนสอนมันไปไห็จิตนี่ไม่เที่ยงหรอก จิตนี้บังคับไม่ได้เลยะสอนไปเลยหนิงแปลว่าช่วงนี้ถ้าเวลาที่พอมันสมาธิพอจริงๆริงมันก็คือมันติดสมถะเลยทําให้มันไม่ยอมดูใช่เหมือนที่เคยมันจะพักอยู่เฉยเฉรู้ตัวอยู่เฉยเฉยบางคนประเภทเข้าใจผิดเลยนะคิดว่าไม่ต้องทําอะไรหรอกแค่รู้สึกตัวเฉยเยแล้วว่าหนึ่งบรรลุไม่บรรลุหรอกรู้สึกตัวเฉยเฉยมันเป็นสมาธิะเรามีสมาธิเพื่อจะเอาไว้เดินปัญญา ลหลุดพ้นไปเพราะปัญญาหนูไม่ได้ติดอะไรไม่ติดแรงไม่พอตอนนี้กรั่นนัำส ก, การค่ะหนูไม่เคยทรงการบ้านค่ะแต่ว่าคราวที่แล้วหนูได้มาฟังเ อ, อพี่มารีอะค่ะแล้วแกพูดว่าเออดูดูจิตซิว่าตอนนี้รู้สึกยังไงพอดูปุ๊บหนูก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรเฉยๆแล้วหนูก็ ก็พยายามคิดว่าเอ๊ยยังไงือแล้วก็ค้นพบว่าจะรู้สึกก็ต่อเมื่อมันเป็นอารมณ์แรงเช่นโกรธหรือชอบหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าอยู่ๆมาถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงก็จะรู้สึกเฉยเไม่มันจริงจมันไม่ช่วยหรอกแต่พอเราจงใจดูมันจะช่วยเพราะว่าหลักของการดูจิตเนี่ยก่อนดูเนี่ยนะให้ความรู้สึกก่อนเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอย่าไปอยู่ๆก็ไหนไหนจิตเป็นยังไงจะว่างๆจะไม่มีอะไรให้ดู นั่นต้องปล่อยให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ว่ามีความรู้สึกนะท่านที่สองระหว่างที่รู้รูงห่างรู้เหมือนดูของคนอื่นเห็นคนอื่นโกรธเห็นคนอื่นโลภใจเราอยู่ตรหานะไม่ถลําเพราะไปแล้วพอดูแล้วนะไม่แทรกแซงเห็นกิเลสก็ไม่เกลียดมันเห็นกุศลไม่ได้ไปรักมันเป็นกลางแต่ถ้าใจไม่เป็นกลางยินดีลายให้รู้ทันของหนูนะพอจงใจดูมันจะว่างเป็นเห็านั้นทุกคนแหละ เพราะฉกใจไม่ได้ต้องให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาแล้วใหม่ๆมันจะรู้แต่ความรู้สึกที่แรงนะต่อไปพอชํานาญขึ้นความรู้สึกละเอียดขึ้นก็เห็นอย่างที่แรกต้องโกรธแรงๆถึงเห็นต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นนะค่อยฝึกจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมจิตปกติเหือตอนนี้ไหมเออจิตตอนที่ไม่ได้จับไม้ไม่ได้คุยกับหลวงพ่อเนี่ยเหมือนในขณะนี้ไหม ไม่เหมือนค่ะเออถ้าไม่เหมือนใช้ได้ตอนนี้ไม่ไม่ดีมันทือท่อๆไปกดมันไว้เพราะว่าตืนแต้นนกดมันไว้น่ะ <c oughs> มันเลยไม่เป็นธรรมชาติก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ค่อยรู้สึกไปรู้สึกได้ง่ายค่ะก็คือตอนที่หลวงพ่อบอกว่าให้ลองยิ้มสิพอยิ้มปุ๊บแล้วรู้สึกเลยว่าเออมันในมันเบาขึออ้นล อันนั้นถึงได้รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วเราพยายามที่จะไปเพ่งมันว่ารู้สึกยังไงรู้สึกยังไงแต่ในนั้นผิดมันด้วยว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเราใช้ใจที่ปกติเนี่ยดีที่สุดนะนักปฏิบัตินะกับเด็กเนี่ยมีข้อดีข้อเสียกลับข้างกันเด็กๆเนี่ยมีใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เนะื้เดี๋ยวปวดร้อนเดี๋ยวร้องไห้จิตใจของเด็กเนั้นเป็นธรรมดามากเลยแต่เด็กไม่มีสติ นับปฏิบัติมีสตินะแต่มีใจที่ไม่เป็นธรรมชาติใจที่ถูกเพ่งเอาไวนะ้ซึมซึมทื่อๆื่อว่างว่างปนะิดธรรมดาเลนะ้สวมหัวใจเด็กไว้ยิ้มหวานก่อนเด็กเวลา ย, ยิ้มมันก็ยิ้มมันนะนี่ยังยิ้มแบบเครียดเคียด <c oughs> อยู่นะเราถ้าใจเราชำนาญ น, นะเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่ายิบจริงเป่ะ อย่างพวกดารานะมันยิ้มมันอะไรนะหรือบางทีมันทําดโกรธนะข้างในมันหัวเราะอยู่ก็มีนะมันขาขาตัวเองวันทาท่าบ้าบ้าบอๆนะหรือบางทีมันยิ้มนะใจมันอย่างนี้แทบจะหักคอคนนะมันยิ้มหวาน มาสการค่ะหลวงพ่อคือเดือนที่แล้วส่งการบ้านพี่มารีอะค่ะพี่มารีบอกว่าหนูติดว่างอืแล้วพี่มารีก็แนะนําให้ไปเดินจงกรมเพือปกติหนูจะชอบนั่งสมาธิมากกว่าค่ะแต่ก็แต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเนี่ยคือทํานะคะแต่แบบแต่ช่วงนี้นานเ ย, ย้ก็แบบไม่รู้มันดีขึ้นหรือเปล่าคะก็ไม่ติดมากแล้วละ่ะแต่หนูจะรู้สึกว่าเวลาหนูแบบหนูจะรู้ว่าเวลาบางทีมันไหลไปหนูจะชอบแบบมีพื้ไปแล้ว <ไป S 2> มัน ดึงด้วยค่ะแล้วก็บางทีแบบจะรู้ตัวว่ามันเหมือนกับไหลไปแล้วมันตามมันไปแล้วคือรู้ตัวนะคะแต่ว่ามันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆง่วงๆอื่นๆอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ก็รู้แหละแล้วก็แบบสักพักก็รู้วไม่ชอบแต่มันก็ไม่หายไปเนี้ยมันก็จะอยู่อย่งโยนมันทิ้งไปเลยรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ใช่แต่มันก็เป็นบ่อยค่ะเหมือนกับก็รู้สึกบ่อยว่ามันไหลไปช่องเดิมเหมือนเป็นช่องที่ไม่เคยชินค่ะไอ้นั้นคืออะไรค่ะใจมันเคยชินจะไปแช่อในตรงนั้นนะ <c oughs> เราต้องพยายามรู้สึกตัวขึนมาไม่ไหลไปรู้สึกไว้ <c oughs> ใจมันชอบตรงนั้นค่ะ <c oughs> คือหนูก็เลยแปลกใจตอนที่พี่มารีชักเพราะว่าหนูไม่คิดว่าหนูจะติดอะไรไม่ชอบไม่คิดว่าตัวเองจะชอบอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> ใจมันชอบมันเคยชินมันไหลไปตามความเคยชินะจิตเนี่ยไหลไปตามความเคยชินทุกคนแหละะ <c oughs> มันเคยชินแล้วไปแช่ซึมๆอยู่ตรงนั้นมันก็ชอบไป เราไม่ยอมปล่อยมนันหรอกรู้สึกตัวไว้เพิ่มสติขึ้ น, นเพิ่มสติขึ้นรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาเราปกติตอนนี้คือทาถูกไหมคะคือบางครั้งเริ่มรู้สึกว่าแบบสติอ่อนสติอ่อนไปอ่อนไปรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นนิดหนึง่งรู้สึกตัวให้เข้มไว้เข้มแข็งหน่อยโอเคขอบคุณค่ะ <laughs> นมัสการหลวงพ่อคะ่ะส่งกันบ้านหลวงพ่อนะคะอืว่าหนูมีความสงสัยในการปฏิบัติในรูปแบบอะคะ ว่าของหนูทําคือการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมแต่ทุกครั้งที่นั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมเนี่ยก็จะเห็นจิตตัวเองเนี่ยกระจายออกไปที่นู่นที่นี่เงนี้ยค่ะจะไม่เคยได้สมาธิแบบสมถาะาเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติแบบนี้มันถูกหลักของการปฏิบัติในรูปไหนลองทให้หลวงพ่อดูสินั่งสมาธิ ใจมันเคลื่อนไปดูออกไหมดูออกอให้รู้ทันว่าใจมันเคลื่อนไปนะค่ะแล้วก็มาอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปแล้วใจเคลื่อนเรารู้ะแล้ ว, นะลว ก, กลับมาอยู่กับพุโทโธมาหายใจต่ออะไรก็ได้แล้วใจเคลื่อนอีกก็รู้ใจมันจะมีกําลังขึ้นมาไม่ไหลไปค่ะอันนี้ใจมันไม่มีแรงมันไหลค่ะก็ทุกครั้งที่หนูนั่งสมาธิอะค่ะก็จะเห็น พอหลับตาเร า, าเนี่ยก็จะเห็นจิตมันฟุ้งไปนู่นไปนี่นั่นเราต้องมีเครื่องอยู่นะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่ไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตแต่ถ้าเราไม่มีที่อยู่เลยมันไหลา ย, ยาวถ้างั้นหลักที่ถูกต้องก็คือเราต้องมีเครื่องอยู่ใช่ผูผ้เจ้าสอนให้มีเครื่องอยู่นะคะสติปัฏฐานสี่เนี่ยเริ่มต้นเลยกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมหรือใช่จิตเป็นวิหารธรรมใช้เวทนาเป็นวิหารธรรมต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ พอมีเครื่องอยู่แล้วถ้าจิตมันเคลื่อนไปจากเครื่องอยู่เราดูแลเราก็กลับมาอย่างนี้นี่คือถูกต้องใช่ไหมแต่เราไม่ต้องดึงแรงนะค่ะเราแค่เห็นว่าหนีไปแล้วเราก็รู้มันจะได้ไม่หนีนานค่จิตใจได้มีสมาธิขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อคนสุดท้ายค่ะอ่หลวงพ่อคะคืออยากจะรู้ว่าจิตตัวเองตื่นหรืยงอ่ะค่ะทำไมไม่รู้ล่ะือเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบ พอเวลาพยายามรู้สึกตัวค่ะมันจะรู้สึกแบบมันไม่ได้รู้สึกจริงๆมันมันเป็นแบบความรู้สึกว่าเหมือนมันไปแตะๆผิวๆอ่ะค่ะรู้สึกนี่ยมันรู้สึกหรอกนะแต่เรามันคนขี้มโหะรู้สึกแล้วก็ยังไม่พอใจอยู่รู้สึกฝกอะรู้สึกแล้วล่ะรู้สึกแล้วใช่ไหมคะเวลารู้อารมณ์น้ํารู้แตะๆเท่านั้นแหละไม่ทูกออกจีนออกจังหรอก แต่ว่ารู้อย่างนี้ไปคือถูกต้องแล้วถูกแล้วล่ะรู้แต่แต่นะไปรู้เอาเป็นเอาตายไม่ได้นะนินสัยเรามันจะเอาเป็นเอาตายมันอยากจับให้แรงๆเราเลยรู้สึกว่าแค่รู้ธรรมดานี่มันแตะไปรู้แต่แต่แตนั่นแหละเราจจำเป็นที่จะต้องอปฏิบัติในรูปแบบด้วยไหมคะมีประโยชน์มากนะถ้าไม่ทำในรูปแบบเลยเนี้ย น, นานๆไปใจจะไม่มีแรง <Okay. S 2> เราจะดูมาไม่ถึงจิตถึงใจหรอกคือตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันไม่ถึงจิตไม่ถึงใจอะค่ะถูกใช่ไหมคะใช่โอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวพวกเรากลาบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบกราบกราบ